ตอนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายอุทิตนักนิยายรักได้สำแดงบทบาทในเรื่องรักโดยเป็นความจริงไม่ใช่นิยายที่เขาเขียนเขาได้พบรักในอดีตเป็นรักที่เห็นใจและเมตตาในหญิงที่เขารักเขาให้ทั้งศีลและธรรมและมนุษยธรรมแก่หญิงที่เขารักอย่างเต็มที่โดยไม่ได้ใช้ความรักที่เกิดจากอารมณ์แห่งตนแต่เพียงผู้เดียวนายอุทิตได้ไปพบรักกับรุ่งที่รัก และทั้งแม่ชีเท่าอยู่บ่อยๆโดยไปส่งเงินเกื้อกูลบ้างแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนบ้างคุณอุทิศไปพบแม่ชีแล้วก็แม่รุ่งบ่อยๆเนี่ยไม่รู้เลยหรือว่าแม่ชายแม่ของแม่รุ่งหรือว่าเมียของทิดอูนั่นแหละเดี๋ยวนี้แอบมาหาลูกสาวอยู่เสมอนะในมั่นตั้งคำถามเป็นเชิงบอกเล่ากับผมเปในตัวแบบเสร็จสับในขณะที่นั่งพร้อมกันในที่ประชุม เพราะว่าวันนั้นเป็นกําหนดที่จะเอาเงินเล็กๆน้อยๆอยที่ช่วยกันเฉลี่ยออกไปให้แม่ชีเท่าผมฟังนายมั่นพูดโดยไม่ได้ขัดอะไรขึ้นก็ฟังจนจบเรื่องของแม่รุ่งแอบมาหาแม่รุ่งที่วัดเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ไปคราวที่แล้วแล้วละ่ะผมบอกแม่ชีบอกหรือว่าแม่รุ่งบอกละ่ะคุณนบถามทั้งสองคนแหละครับแม่ชีท่านก็หนักใจมากไม่พอใจที่แม่ของรุ่งนี่แอบมาหาแต่ว่าแม่ชีเองท่านก็ไม่สบายใจเพราะท่านบอกว่า แม่ของรุ่งนั้นเนี่ยมีนิสัยไม่ดีอยู่แต่เดิมอาจจะมาชักจูงลูกสาวไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะชวนลูกสาวสูญหายไปเหมือนแม่แต่ว่าผมก็ไม่กล้าออกความเห็นอะไรกับแม่ชี้ท่านต่อเมื่อพบกับรุ่งสองต่อสองผมก็ได้ชี้แจงอะไรต่อมีอะไรให้กับเธอเป็นที่แจ่มแจ้งดีอ๋อคุณก็รู้เรื่องดีอยู่แล้วนี่แล้วคุณเตือนใจแม่รุ่งว่ายอย่างไรบ้างล่ะแม่ชีก็เป็นทุกข์เป็นร้อน มีจดหมายมาถึงผมบอ ก, กเรื่องขอให้ช่วยกันตัดหนทางของแม่รุ่งให้ติดต่อกันบ่อยนักท่านก็ทำด้วยความห่วงใยเพราะรักที่สุดในมั่นว่าครับเรื่องนี้เราก็รู้กันดีอยู่แต่ว่าทางสโมสรของเราก็ตั้งใจกันไว้แล้วนะครับว่าเราจะเกื้อกูลโดยสงสารทั้งสองคนทั้งแม่ชีและก็แม่รุ่ง เมื่อแม่ชีอุตสาเลี้ยงแม่รุ่งมาตั้งแต่เล็กจนเป็นสาวก็อยากจะให้แม่รุ่งนะ่ะแทนคุณแม่ชีโดยอยู่ปรนิบัติท่านไปให้ได้รับความสุขแต่ว่าเรื่องแม่ลูกเขาจะพบกันเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาได้ผมพูดในตามทางของศีลธรรมแต่ว่าในมั่นก็รีบขัดขึ้นถ้าแม่รุ่งเกิดเชื่อแม่เขาแล้วก็หนีหายไปตามคำชักชวนของแม่ล่ะในมั่นวางแง่กับผมเข้า ทุกคนในที่ประชุมก็มองหน้าผมเพราะทุกคนรู้ดีว่าผมรักกับรุ่งอยู่จึงอยากฟังความเห็นของผมผมได้เตือนสติแม่รุ่งไว้มากเหมือนกันบอกว่าเรื่องของแม่รุ่งนั้นเนี่ยทำตัวผิดไว้ตั้งแต่การก่อนอย่างน่าเกลียดแต่ขอให้รุ่งคิดว่านั่นเป็นเรื่องแม่แม่ผิดแม่ก็รับคำติเตียนจากชาวบ้านไปแล้วแต่ว่าเราเป็นลูกเราจะไม่ยอมพบกับแม่เลยมันก็ย่อมเกิดความไม่ดีแก่เราทั้งข้อติเตียนของชาวบ้าน ส่วนทางกระตันยูเราก็เสียหายนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราส่วนแม่ชีนั้นเนี่ยไม่ใช่แม่ของเราแต่ว่าความรักนั้นเนี่ยสูงส่งยิ่งกว่าแม่เราซะอีกทางที่ดีแล้วก็เจริญแก่ตัวรุ่งเองรุ่งจะต้องพบกับแม่บ้างแล้วก็ต้องชวนแม่ไปคุยที่กุฏิแม่ชีแล้วก็อย่าไปไหนไกลให้พ้นจากวัดมันจะขัดใจแม่ชีเราจะเป็นบาปโดยทําอะไรไม่เป็นที่สบอารมณ์แก่ผู้มีพระคุณกับเราอย่างสุดจะพานนาได้ อย่าทำอะไรให้เกิดเป็นอากตันยูได้เลยผมอธิบายต่อที่ประชุมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นไปซะแล้วนี่นายมั่นพูดแม่ชัยก็มักจะนัดให้แม่รุ่งไปพบที่บ้านในพลัดเข้าประตูน้ำไปบ้านธนูโดยเขาอ้างว่าเข้ามาหาลูกคราวไรผีทิดอูอลาวาฒคราวนั้นเขาก็เลยไม่กล้าที่จะมาแต่ที่สำคัญก็คือแม่ชายเนี่ยไปเป็นลูกจ้างในพลัดแล้วก็เจ้าชายชูเองก็อยู่ที่นั่น แม่ชีมีทุกข์มากก็เลยรีบบอกมาในมั่นพูดเสร็จพร้อมกับถอนหายใจคุณสมัยพูดขึ้นอย่างจะให้เป็นที่ขบขันว่าสโมสรเราเนี่ช่างมีแต่ปัญหาข้องใจแล้วก็วุ่นใจจริงๆนะพวกเราเนาะแต่มันก็ต้องกลุ้มก็ต้องวุ่นนั่นแหละในมั่นว่าก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยรับเข้าไปวุ่นเองเดี๋ยวนี้เรื่องวุ่นมันก็หนักขึ้นไปอีกแก้ปมไม่ออกในมั่นพูดแล้วก็มองหน้าผมเอ้าพรุ่งนี้ผมไปเองคงจะรู้อะไรอะไรอีกเยอะ เพราะยังไงก็ตามมันก็ถึงเวรที่จะต้องเอาเงินไปให้อยู่แล้วนี่เอ๊ะพรุ่งนี้ผมถ้าจะต้องไปด้วยคนซะแล้วแม่ชีแกวุ่นใจนักผมก็ห่วงแกเดี๋ยวผมต้องไปด้วยนมั่นพูดขึ้นผมเลยสนับสนุนแกก็ดีสิครับผมร้องแซงขึ้นพร้อมกับหัวเราะ อ, อย่างสบายใจเดี๋ยวผมจะยืมรถจิบคุณนายไปดีกว่านมั่นว่าฮะก็สักสิครับผมว่า ตอนสายๆของวันรุ่งขึ้นนายมั่นขับรถจิบพาผมเลี้ยวเข้าเขตวังน้อยผมรู้สึกชื่นบานใจที่รู้สึกว่ากำลังเข้าสู่แดนคนรักพลางเหลียวซ้ายแลขวามองดูทุ่งนาอย่างจิตแจ่มใสด้านขวามือก็เป็นบ้านทุ่งท่าขอนด้านซ้ายมือเป็นบ้านทุ่งบ้านสร้างพอรถข้ามสะพานใหญ่ไปที่วัดบ้านสร้างซ้ายมือผมเลี้ยวไปดูในคลองที่ไปทางขวามือนั่นละ่ะคลองที่จะไปบ้านช้าง ไปตามคลองเรื่อยๆเข้าไปเนมั่นอธิบายเมื่อเห็นผมมองไปทางนั้นพอออกชื่อบ้านช้างผมก็ใจวูบนึกไปถึงเรื่องผีเจ้าเข้าสิงที่บ้านของน้องเมียเนมัน่นเราหยุดพักรถที่แถวหมู่บ้านร้านชำบ้านสร้างกันเล็กน้อยเนมันก็ล้วงเอาเหล้าออกจากรถโซดาก็มีพร้อมเราดื่มกันพอชุ่มคอโดยได้น้ําแข็งจากร้านแถวนั้นผสมแบบเย็นเจี๊ยบ อายุธยาเนี่ยหน้าแรงก็รู้สึกน้ำหายากแต่พอหน้าน้ำนะสิมันกลายเป็นทะเลไปได้ในมั่นพูดผมมองดูสถานที่ตามที่ในมั่นพูดก็เห็นลำคูสองข้างทางน้ำชักจะน้อยนิดแทบติดโคลนพอมองไปสุดสายตาข้างหน้าก็เห็นน้ำแห้งขอดนึกอยู่ในใจว่าถ้าน้ำในคูมีอุดมตลอดไปช่วยนาตาปีผักปลาก็จะสมบูรณ ความจริงจะทำให้น้ำมีก็ได้นะไม่ได้ยากเย็นอะไรสะดวกสบายแกพวกเรือแล้วก็พวกแพที่จะค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆได้ตามมีตามเกิดแต่ว่าเขาไม่ได้ทำกันนายมั่นพูดแล้วก็ถอนหายใจใครไม่ทําล่ะผมถามด้วยความสงสัยก็ผู้ใหญ่นะสินายมั่นตอบเสียงสั้นๆพวกชาวบ้านเนี่ยจะทายังไงก็ตัวใครตัวมันถือว่าแรงน้อยกาลังน้อยก็เลยลาบากกันมาชั่วปู่ย่าตายายผมว่า ถ้าผู้ใหญ่เขาไม่ทําทําไมชาวนาไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทําเพื่อตัวเองนี่เขาก็สามารถทําได้นี่นารอผู้ใหญ่อีก5้าชาติก็ไม่ได้ทําแต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันทําเองบ้านเราก็จะสบายผมว่าก็พวกชาวนามีปัญญาทำอะไรเนมั่นพูดเหมือนถามเอาล่ะพวกชาวนาเขาช่วยกันขุดคลองให้ลึกแต่ก็ไม่มีประตูช่วยกักน้ําที่ไหนมาขังคลองเพราะว่าหน้าแล้งน้ําในแม่น้ำเนี่ยมันมีน้อย ตลิ่งอยุธยาสูงออกกิ้วคุณก็เคยเห็นแล้วนี่แล้วจะเอาน้ําที่ไหนมาส่งเข้าบ้านนาถ้ามีประตูกาั ก, ากน้ํามันก็ทําได้สบายสบายแต่ก็ต้องขุดคลองให้ลึกเออจริงสิก็ต้องพึ่งประตูน้ําผมร้องเห็นจริงกนันนั้ น, นสิชาวอายุธยาก็มีปัญญาพึ่งนาตัวเองอย่างเดียวปีนึงได้หุนเดียวพลหน้านาขายข้าวแล้วก็นอนสมกระดูกสันหลังของชาติก็ต้องท้องกิ้วเพราะน้ําไม่มีจะให้ทําอย่างอื่นจะปลูกพืชอย่างอื่น แล้วจะให้เอาน้ําที่ไหนไม่ทราบเอาละเอา้าขุดบ่อร่ อ, อน้ําเข้าแต่ปลูกอะไรอะไรขึ้นมาแล้วเอาไปขายที่ไหนล่ะไม่มีคลองจะขนไปในมั่นพูดแล้วก็หวัวเราะเขาก็ทําถนนแล้วไงล่ะผมว่าอ๋อถนนน่ะมันเกี่ยวกับรถชาวนาชั้นตุ๊กกระตุ๋ยเนี่ยจะเอารถที่ไหนรถน่ะมันสําหรับกิจการใหญ่สําหรับชาวนาขี้ปฏติว๋วปลูกผักปลูกหญ้าเล็กๆน้อยๆจะมีปัญญาซื้อรถเหรอถ้ามันมีคลองก็ยังพอใช้เรือภายไปได้ ขายเงินได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวขายบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างก็จะไม่อดแห้งอดแล้งแบบนี้จริงอยู่ที่คนเราเนี่ยมันต้องอดต้องออมอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดมื้อไปกินมือนะ้อหน้าแต่ว่าที่ดินทางนี้น่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกลองมาอยู่ดูบ้างจะรู้มันก็ต้องทนอดกันตลอดชาติแมั่นพูดแล้วก็หัวเราะเป็นที่สนุกแล้วก็ชวนผมขึ้นรถรถวิ่งต่อมาทุ่งด้านขวาเป็นทุ่งเขาแมวติดต่อทุ่งหนองไม้สูง ส่วนทางด้านซ้ายมือยังเป็นทุ่งบ้านสร้างชนกับทุ่งโรงเจ้าและทุ่งสามเรือนในมั่นขับรถไปก็พูดไปชี้ไปผมไม่ใช่คนอยุธยาก็ฟังไปมองไปอย่างสนใจจนรถสู่ตรงทุ่งที่มีหมู่บ้านหนองไม่สุงนั่นแหะหมู่บ้านหนองไม้ซุงในมั่นชี้บอกดูเถอะหมู่บ้านเนี้ยมันจะใหญ่กว่านี้อีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดดเดี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นเขาผมคนอยุธยาเห็นมันอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้โตมากกว่านี้ พวกผู้ชายไปโรงเรียนที่กรุงเทพพอปีก้าขาแข็งก็ไม่กลับมาบ้านเดิมก็เลยไม่มีการพัฒนาอะไรกันขึ้นเลยถ้ามีคลองติดต่อกันได้ก็จะเจริญกว่านี้โน่นโน่นทางน้นเลยไปข้างหน้าเราเนี่ยก็คือหมู่บ้านคานหามแต่บ้านคานหามไม่มีคลองพอจะติดต่อรรทำธุระกับบ้านธนูได้ก็เลยดีกว่าหนองไม่สูงหน่อยแล้วถ้าขุดคลองให้เลืึกจากบ้านหนองไม่สุงมาบ้านคานหามก็คงจะดีกว่านี้นะ ผมออกความเห็นขุดมาทำไมล่ะคุณบ้านคานหามเองพอหน้าแง้งน้ำในคลองบ้านธนูก็ไม่มีน้ำจะส่งมาบ้านคานหามอยู่แล้วเพียงแค่วัดเขาดินบางปีนี้น้ำมันก็จะแห้งเลยผมว่าอะไรอะไรนะมันก็อยู่ที่การจัดการประตูกักน้ำนั่นแหละจะแก้ได้เนมั่นพูดคล้ายรำคารความเป็นไปรถเราวิ่งเลยพระเจดีย์ที่ตั้งกลางถนนทำวงเวียนล้อม พรถวิ่งมาครู่เดียวก็ถึงถนนซอยที่เข้าสู่วัดพระญาศและวัดกระสังรถเราหักเลี้ยวเข้าทางแคบๆเข้าวัดพระญาศ ต, ตามณฑลไผ่ลิงผมสบายใจนักเราเลี้ยวหักซ้ายเข้ากุฏิแม่ชีดวงหน้าตื่นตื่นของรุ่งและแม่ชีเชโงงกมองดูรถของเราบนกุฏิพอรู้ว่าเป็นเราสองคนก็หัวเราะแล้วก็รีบลงมาหาผมกับนายมั่นนั่งลงไหว้แมชีที่ร้านไม้เล็กๆหน้ากุฏิร่มเย็นดีนักก็เลยสนทนากันที่นั่น ผมถือโอกาสรีบทำกิจที่มุ่งไปให้เสร็จคือเอาซองเงินที่เรียอะไรามาให้ในมัน่นเป็นผู้มอบกับแม่ชีเองอ๋อในมั่นหันมาร้องแล้วก็รับเอาซองเงินจากผมไปถือไว้นี่เป็นเงินที่เอามาถวายเป็นค่าใช้ใจ่ายของคุณแม่ชีตามกําหนดขอความเจริญเป็นของพวกคุณเถอะแม่ชีเท่ารับเงินแล้วก็อวยพรในมั่นหันมาขยิบตากับผมแล้วพูดว่าเอา้าแม่รุ่งพาคุณอุทิศไปหากาแฟกินตามชายน้ําสิ ฉันมีเรื่องอะไรจะคุยธุระกับแม่ชีซะหน่อยนึงผมก็เลยลุกขึ้นยืนรุ่งก็ลุกขึ้นบ้างเดินนำหน้าผมอ้อมไปทางโบสถ์ฉันได้มาใกล้รุ่งคราวนี้ก็มีความสุขใจเป็นที่สุดแล้วนะผมพูดตรงๆโดยไม่มีสำนวนรักมากันเพราะผมถือว่าผมมีอายุแก่กว่ารุ่งเกือบคราวๆนะชายครั้นจะเล่นสำนวนรักหากรุ่งจะไม่หมั่นไส้ผมก็หมั่นไส้ตัวเองรุ่งช้อนตาขึ้นดูแวบหนึ่ง แต่มีแววสดใสกว่าแต่ก่อนส่วนผมตั้งใจจะมาพูดอะไรกับรุ่งก็เลยถือโอกาสพูดซะเลยถือว่าเรารักกันถ้ารู้อะไรอะไรซึ่งกันและกันก็ย่อมเป็นของดีพวกเราทางกรุงเทพเนี่ยรู้ว่ารุ่งได้พบกับแม่ของรุ่งก็ดีใจกันในด้านที่แม่ลูกได้พบกันแต่กลับเสียใจกันที่ว่ารุ่งต้องไปพบกับแม่ของรุ่งให้พ้นวัดนี้ไปแล้วก็ไปที่บ้านที่พ่อเลี้ยงของรุ่งอยู่ด้วยพวกเราชาวกรุงเทพทุกคนไม่ชอบใจพ่อเลี้ยงของรุ่งนะ ถือเอาเป็นศัตรูเลยนะเพราะว่าเขาเป็นชายชู้ที่ทำให้พ่อของรุ่งเนี่ยต้องเสียใจไปจนตายเราทุกคนก็เลยจำคําบอกเล่าของแม่ชีได้ถึงวันที่พ่อของรุ่งรู้ว่าแม่ของรุ่งหายไปก็อุ้มรุ่งไปตามที่ร้านอาหารในเมืองพอเจ้าของร้านบอกว่าแม่ของรุ่งไม่ได้มาทำงานหลายวันแล้วพ่อของรุ่งก็ก้มดูหน้ารุ่งหน้าจ้อยๆแล้วก็บอกกับรุ่งว่าแม่เขาไม่ได้มาหรอกเราไปกันเถอะและพ่อของรุ่งก็อุ้มรุ่งเดินจะกลับ ด้วยความไม่แข็งแรงที่ป่วยไข้หิวประกอบกับความเสียใจก็เลยพารุ่งหกล้มไปด้วยกันแม่ชีเห็นดังนั้นก็เลยกลับพร้อมกับพ่อของรุ่งด้วยความห่วงใยผมพูดแค่นี้แล้วก็หยุดรุ่งนั่งฟังพร้อมกับก้มหน้ามองไปในน้ําอย่างใช้ความคิดพวกเราทุกคนทั้งหมดไม่ได้โกรธรุ่งเลยนะแต่ควรให้แม่มาพบรุ่งที่กุฏิแม่ชีหรือว่าไปคุยกันที่ใกล้กุฏิพระก็ได้ถ้ากลัวพ่อของรุ่งจะอารวาสก็มาพบรุ่งกลางวันจะเป็นอะไรไปล่ะ ผมพูดกับรุ่งได้แค่นี้ก็พอดีว่าเรือกาแฟามาผมก็เลยกวักมือเรียกเรือกาแฟาดูจะดีใจที่จะได้เงินสดจากคนต่างแดนแวะเข้าจอดที่ศาลาที่นั่นมีพระกับเด็กนั่งอยู่ด้วยผมจึงสั่งกาแฟาถวายพระแล้วก็เลี้ยงเด็กด้วยเมื่อเสร็จแล้วผมก็ชวนรุ่งออกเดินคุยตามลานวัดตอนนั้นเกิดมีลมกันโชคมาดอกไม้อะไรก็ไม่ทราบชื่อจากต้นไม้ใหญ่ได้ร่วงพลูลงมาค่อนข้างมาก โปรยปลายมารอบตัวผมกับรุ่งคล้ายกับมีคนจงใจโปรยให้เกิดความมงคลผมรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวทั้งปลื้มใจในมงคลที่ได้รับนั้นแล้วก็รู้สึกในใจว่านั่นคือการกระทําของพ่อรุ่งแน่ๆเสมือนจะทักหรือจะดีใจก็เลยโปรยมงคลให้และร้ายกว่านั้นเมื่อเดินกันไปยังมีลมเบื้องต่ําพัดมาอีกทั้งดอกไม้ที่ร่วงตั้งแต่แรกแล้วก็ใบไม้แห้งถูกลมพัดเป็นพลาววันล้มล้อมตัวผมกับรุ่งอีกครั้ง คราวนี้เป็นการชัดเลยว่าทุกสิ่งเกิดจากอะไรกันผมจึงคิดว่าควรกลับไปคุยกับแม่ชีบ้างน่าจะดีถ้าขืนเดินพลอดรักกันไปแบบนี้อาจจะเป็นขี้ปากชาวบ้านได้เพราะว่ารุ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่โตขึ้นในวัดย่อมเป็นของชวนพูดกันอยู่แล้วยิ่งเป็นภาพการเดินคุยกันแบบนี้เป็นท่าไม่ดีแน่ผมจึงชวนกันมาที่กุฏิแม่ชี ครั้นมาถึงกุฏิแม่ชีผมก็รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารแม่ชีแล้วก็รุ่งจะต้องเข้ากรุงเทพกับเราผมไม่รู้ข้อลึกซึ้งอะไรนักที่นายมั่นของผมได้เกิดวางแผนกิจการอะไรกันกับแม่ชีถึงกับมีการวางแผนการใหม่ๆคุยอะไรๆกันนิดหน่อยนายมั่นก็ชวนผมเข้าเมืองหาอาหารเย็นกินกันแล้วก็นําอาหารมาฝากรุ่งโดยที่ไม่ต้องให้รุ่งลําบากไปกินทางบ้านแม่ชีแล้วเราสองคนก็ขึ้นรถออกจากวัดบ่ายหน้าเข้าเมือง คุณอุทิศคุณจะต้องรีบแต่งงานโดยด่วนนะในมั่นพูดผมฟังแล้วตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเร็วแบบนั้นผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยในมั่นพูดเป็นเล่นไปนะเอา้าจริงๆผมพูดจริงๆนะหรือว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันดูเร็วแบบนี้ เ, เร็วนะ่ะชอบละผมพูดให้เป็นสนุกใจจริงผมเนี่ยอยากจะให้เป็นวันนี้ซะเลยด้วยซ้าไปยังในมั่นร้อง แมชีกับแม่รุ่งก็ต้องไปกรุงเทพกับเราแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านผมเพราะว่าแม่ชีเนี่ยท่านเองก็หนักใจเรื่องแม่ของรุ่งจะมาชักชวนให้แม่รุ่งเนี่ยหนีไปจากวัดโดยว่าเขาเนี่ยจะถือสิทธิ์ว่าเป็นแม่ของรุ่งเขาจะปล่อยลูกที่เป็นลูกสาวมาจมอยู่กับวัดในกุฏิแม่ชีทําไมกันส่วนทางแมชีไม่มีอะไรจะยืนยันแข็งขันว่าแม่รุ่งเนี่ยเป็นเด็กของแม่ชีส่วนทางโน้นเนี่ยเขาก็ยืนยันสิทธิ์ว่าเขาเป็นแม่เขาก็มีสิทธิ์แข็งกว่าทางแม่ชีก็เลยคิดพาแม่รุ่งหลบไปกรุงเทพก่อน พอทางคุณอุทิศจัดแจงอะไรเสร็จก็กลับมาตั้งพิธีแต่งงานกันที่บ้านของแม่ชีทำเพื่อให้หน้าแก่แม่รุ่งไม่ใช่ว่าเด็กวัดของแม่ชีจะไม่มีวาสนาเลยนายมั่นอธิบายผมรู้สึกว่าความคิดของแม่ชีนั้นถูกต้องถูกแล้วรุ่งนั้นอยู่กับแม่ชีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งโตเป็นสาวโดยไม่มีหนังสืออะไรเป็นกฎหมายว่ารุ่งเป็นเด็กของแม่ชีโดยถูกต้องก็ย่อมแพ้ทางแม่ของเขา แม้ว่าเขาจะเสียหายย่ำเปยอย่างไรเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการเป็นแม่อย่างเต็มที่ก็ย่อมก่อความยุ่งยากให้ได้ตลอดเวลาการติดต่อระหว่างแม่ๆลูกๆนี่แหละบ่อยเข้าก็จะเกิดพยานชาัดว่าเขาเป็นแม่ลูกกันแม่ชีก็เลยไม่มีความสุขแต่ว่าถ้าไม่รุ่งยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าไปซะแม่ชีก็ทุกข์กระทมอยู่ในมั่นว่าเอ๊ะการแต่งงานของผมกับรุ่งน่ะแม่ของเขาจะประท้วงอะไรได้บ้างผมถามขึ้นโดยรู้สึกห่วง จะมาประท้วงอะไรล่ะในมั่นว่าผมกับแม่ชีไม่ใช่จะไม่รู้จักกำนันหรือว่านายอำเภอถ้าเราไปพูดความจริงทั้งหลายให้แจ่มแจ้งนายอำเภอเขาก็เห็นด้วยแล้วใครจะประท้วงพูดไปก็พูดเถอะถ้าคุณจะเมตตาให้เงินแก่แม่ของเขาบ้างเล็กๆน้อยๆอยเป็นค่าน้ำนมบ้างนะผมก็ว่าดีเลิศแล้วจะมาเอาอะไรกันอีกที่ทิ้งลูกไปจนต้องมาโตอยู่กับวัดชั้นแรกผมเองก็แอบเป็นห่วงอยู่ว่าแม่ชีจะไม่มีรุ่งอยู่ปรนิบัติ แต่ว่าการมันเป็นอย่างนั้นถ้าผมเป็นผู้ที่หวังว่าจะได้เป็นสามีที่ดีของรุ่งถ้าการไม่เป็นไปตามที่แม่ชีคิดแก่ก็ยิ่งมีทุกข์กับประทมแม่ของรุ่งก็ต้องชวนลูกหนีไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขาชักจะมองเห็นผลประโยชน์ที่อยู่ในตัวลูกขึ้นมาอีกแล้วและเจ้าผลประโยชน์ที่แม่ของรุ่งจะได้นั้นถ้าเป็นสุขแก่รุ่งได้ก็ดีไปแต่ถ้าเป็นประโยชน์อย่างเร็วๆแค่เกียรติยศของแม่ก็กำเวรเมื่อเหตุการณ์ได้มารวบรัดเร็วเข้าแบบกรณี สิ่งที่อาเพศเมื่อครู่ในลานวัดที่ดอกไม้บนต้นร่วงโปรยลงมาคล้ายกับถูกโปรยในการสมรสและก็ผงคลีที่ฟุ้งลงมาตามเวลาที่เราเดินนั้นก็เป็นการแสดงความยินดีด้วยน้ำใจในวิญญาณของทิดอูบิดาของรุง่งซึ่งเป็นธรรมดาวิญญาณทุกดวงก็ต้องการความสงบแต่เกิดมามีสิ่งห่วงใ่ก็เลยสงบลงไม่ได้ต้องระวังป้องกันทุกเวลาที่ไหนจะสงบได้ตามทางที่ควร ครั้นนึกถึงอย่างนี้ผมก็เสียใจตนเองที่ทําตนคล้ายคนใจดำผมไม่เคยตักบาททากุศลอย่างใดแผ่ให้แก่ดวงวิญญาณพ่อของรุ่งเลยส่วนวิญญาณพ่อของรุ่งสี่มีความกังวลห่วงใยอยู่ตลอดเวลาซ้ายังแสดงความยินดีด้วยอย่างเห็นเห็นในวันนี้ผมเสียใจตัวเองกัดกรามอย่างเฮี้ยมเกรียมต่อไปนี้ผมจะทาทุกอย่างที่เหมาะสมแก่ดวงวิญญาณพ่อตาของผมในวันข้างหน้าให้ถูกต้อง โดยจะหารือกับสโมสรวิญญาณของเราให้ดีผมไม่เคยคิดเลยว่าความเป็นโสดของผมจะมาหยุดลงอย่างสะดวกได้โดยพวกเพื่อนชั้นดีทำให้แบบนี้เรากินข้าวกันที่้านอาหารที่หัวรอผมเกิดความคิดพิเศษนี้ขึ้นจัดกับข้าวและข้าวสุกใส่จานเพื่อชวนวิญญาณพ่อของรุ่งกินด้วยกันทำให้ใครอะในมั่นถามทาให้พ่อของรุ่งไงผมตอบมันไม่ได้ผลหรอก ในมั่นทวงที่ร้านเนี้ยเขามีผีประจําของเขาคุณทําไปเจ้าของที่เขาก็แย่งกินประเดี๋ยวกลับไปไปวางให้ที่เจดีที่กระดูกเขาอยู่สิและพรุ่งนี้เช้าก็หาทางตักบาทพระซาในเมืองนี่แหละครั้นเมื่อผมฟังในมั่นทักทวงผมก็เห็นจริงเราจะซื้ออาหารไปฝากรุ่งอยู่แล้วจัดการฝากทิดอูด้วยก็แล้วกัน พออิ่มอาหารแล้วผมก็สั่งร้านทําอาหารให้สองห่อเป็นของรุ่งห่อหนึ่งซึ่งเป็นของพ่ออีกห่อหนึ่งและเมื่อมาถึงวัดแล้วผมก็ทํากิจกรรมเรียบร้อยเอาอาหารให้รุ่งแล้วก็ขอทูบเทียนมาจุดบอกกล่าวแก่ทิดอูเชิญกินอาหารแล้วก็บอกร่ำลาไว้เลยเพราะว่ารุ่งขึ้นตอนเช้าจะออกรถแต่เช้าไปกินข้าวในเมืองคืนนั้นผมกับนายมั่นก็นอนกันที่ร้านไม้หน้ากุฏิแม่ชีเป็นการเฝ้ารถไปในตัวอีกด้วย